อมียิ่งชัดเจนเลยจะสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามจะชัดเจนข้อนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้และ 4 ตัวนี้ คนเราบางทีอยากจะฉลาดแต่ว่าบอกไปฟังตำราอย่ากลัวและคน 6 ข้อ ไม่ถือว่าเป็นบุญกิริยาที่อยู่ในฝักฝ่ายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ายังให้ ว่าในบุญกิริยาข้อไหนที่บุคคลเมื่อทําแล้ว การเคารพนอบน้อมซึ่งมันความเคารพความนอบน้อมอย่างไปไหว้พระพุทธเจ้าไปไหว้พระฤาษีเจ้ามีอะไรเป็นๆอภยยนะที่สมบูรณ์ แต่สําหรับคนที่สํารพูนได้แก่คนที่มุ่งจะอย่างเป็นสุขโสมนัส ส่วนปัตตานุโมทนาซึ่งหมายถึงการอนุโมทนาความดีของบุคคลอื่นที่กระทำ ให้โดยกุศลแก่เราเราจะได้กุศลจากเขาต้องพอ แต่ว่าเป็นโสมนัสได้แต่ว่ามันไม่ถึงกับเป็นเครือเป็นข่ายเป็นอสุภนแห่งเอ่อเครื่องประกอบในส่วน อังคารที่ใช้ในแง่ของปรุงแต่งเกิดขึ้นอีกเลยก็เป็น อ่าหมายถึงจักชวนน่ะจักชวนมันแต่งหรือจักชวนหว่านล้อม 10 เนี่ย เป็นอย่างชัดเจนเลยฝ่ายของอสังฆาริกอย่างชัดเจนเลยนี่เพราะฉะนั้นที่บางคนไม่กล้าตอบเป็นอสังฆาริกอยู่เอ๊ะเป็น แม่โอ้ยืนแต่อันนี้น่ะบอกซะเลยว่าผมถามว่าระหว่างเนี่ยใครเป็นผู้นําใครเป็นผู้ตาม เป็นของอสังฆาริกุศลคือเป็นผู้ทําให้เนี่ยอันหนึ่งและอีกคู่นึงอ่ะมีคู่นึกถึงทีเดียวระหว่างผู้แสดง เจ้าข้าวเจ้าของของอสังหาริกนะนี่โดยเที่ยงแต่ไม่ได้ ไปชวนเขาทําบุญเนี่ยพระมีค่าเท่ากับ แล้วเรื่องการฟังธรรมบรรยายตามเนี่ยเราจะเห็นไอ้ความรู้สึกเข้มแข็งยังไม่เหมือนเป็นหวัดก็นิดเดียวก็ไม่ไปก็ได้นี้แต่เพราะคนพูดนี้สั่งยิ้มุบไหลหนแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมันรู้สึกว่ามันยอมไม่ได้นะฮะไอ้ความรู้ธรรมดาก็เลยมีสถานะเป็นอย่าง กำลังมากก็ได้กำลังอ่อนก็ได้แต่ว่านะภาวนาเนี่ยเป็นการบำรุงใจโดยตรงโดยแล้วก็ผู้ที่ทําแล้วก็ ลองธรรมภาวนาดีครับคืนอ่ารู้สึกจะเป็นคืนอุบัติประหัสผมไม่ได้นอน แล้วระหว่างนั้นผมทางผมก็พอมันสักพักน่ะผมก็มานั่งหลับตาซึ่งชั่วโมงบางก่อนชั่วโมงบางๆก็วิชานี้ เอาสิ่งเหล่าเนี้ยเข้าไปแซกเอาไปทําเราจะได้ทั้งความเข้มแข็งไอ้ความท้อท้อย ท้อแท้อยู่แล้วพอไปนั่งก็เลยท้อแท้หนักดิง่วงอยู่แล้วก็ๆแล้วภาวนาเนี่ยนะ ของความ 3 แหละเพราะเราถือว่าเป็นบุรณภาพของบุญกิริยานะฮะทั้งในส่วนตรงในส่วนอ้อม คนที่ทําภาวนาแล้วมีได้ปัญญามากจริงหรือไม่จริงทั้งปัญญาในตัวมันเองปัญญา พอออกมาท่านอยากจะทําอะไรก่อนเลยครับอยากจะเข้าโรงหนังก่อนมั้ยฮะอยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ผม ต้องเป็นเสียงเนี่ยมันหูมันเกิดจะรับฟังเสียงธรรมะได้ เอ่อไอ้สอดคล้องกับบุญเกียรติวัตถุสิทธิ์ของส่วน 3 แห่งปัญญาแห่งโสมนัสแห่งความ 8 นะฮะทีนี้เราก็มาดู 8 นั้นที่ 3 ส่วนนี้ไฝ่กันไปไฝ่กันมาก็ 8 คืออย่าง ตามแผนผังในก่อนมหากุศลส่วนแรกเป็นโสมนัสเอาโสมนัสมาเป็นคือ 1, 1. เวทนา 2 ญาณ 3 อสังคาลิกตามหลังมาแล้ว 4 โสมนัสเป็นญาณสัมมยุตคือ 2 ไม่ 2 อุเบกขาเป็นญาณ ไม่ประกอบด้วยปัญญา 2 แล้วก็ 2 แต่ละ on on on on 2 แต่ละ <k Heh> 2 เนี่ยครับยานนสมยุต 2 เป็นอสังฆาริกสังฆาริกยานนวิปยุต 2 เป็นอสังฆาริกสังฆาริกมีอ่ากําลังมากกําลังน้อยอุเบกขาวายานนสมยุต 12345678 นี่คือประเภทจิต 8 มีประเภทโดยความหมายอย่างนี้แต่โดยชื่อหยุดนะซึ่งก็ว่ามหากุศล ถ้าเราจะถามเทียบระหว่างเวทนากับเวทนาว่ามหากุศลโสมนัสกับอุเบกขานั้นเทียบระดับต่อเนี่ยมหากุศลไหนเป็นบุญสูงกับญาณวิปปยุต ที่เทียบส่วนอื่นๆเหมือนกันญาณสัมปยุตเป็นบุญมากกว่าญาณเนี่ยเพื่อ เป็นการเทียบกันในระดับต่อระดับเทียบกันในระดับต่อระดับคืออย่าง มันอย่างนี้เรียกว่าหลักล้านๆตอบเยอะแต่ว่าถ้าเราตอบโดยเอา อีกตัวหนึ่งคือค่าอันไหนดีกว่าทางจิตบางอ่าอย่างเช่นอย่างว่าเมื่อ ในขณะนั้นจิตของเค้าเป็นญาณวิปยุตนะคือไม่เกิดๆก็ปัญญาไม่ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเราเอถ้าข้าพเจ้า ถึงจะมาจากกุศลตามมันก็เราไม่ได้เชื่อไงก็ช่างเถอะแล้วกันมาจากก็อ้างไม่เลยๆเลยนี้จะเอาฮะ เราก็ตีค่าคือภาวนากุศลเนี่ยราคาที่ดีที่สุดมันอยู่ทางอุปนิคือถ้าพูดเป็นปัจจัยได้ก็ละ มันเทวะบัญเชื่อเป็นวัตถุดิบไม่เอาไปทําอะไรว่าคน ค่าครอบนําต่างๆนี้นะเอ่อแต่ว่าถ้าฆ่าในทางบุญแต่ว่าได้ผลน้อยในทางวิบากทาน ละกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่ได้ฮะความสามารถทางละกิเลสของตาน เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดการถอนบากแล้ววิบากนี่ไม่ใช่ เนี่ยคนที่เขาเจริญในอ่าการปฏิบัติ อ่าสมาเนี่ยหมายถึงข้ามมากในทางอุปนิสัยแนวทางหลัก แต่ว่านิสัยเร็วมาเอามากิเลสหนามมากไม่เอาครับพวกเราไม่เอาๆนะเห็นอะไรต่ออะไรอยู่นะคือไอ้กุศลเนี่ยมันกินเนี่ย <c oughs> มันเป็นทุนด้วยแล้วก็กินไปหมดเป็นเนี่ยติดในกลไก ถ้าคนไหนที่ 2 อย่างปรากฏไปจากหาดีได้ยากเอาดีไม่ได้สัก กิจที่เป็นเป็นไอ้แต่ละข้อแต่ละข้อเราจะพูดทีทีๆแล้วจะและมีผลต่อๆไปคือเอายานสัมปยุตกุศล ที่จะเป็นอุเบกขาเป็นโสมนัสเป็นสังฆาลิกเป็นสังฆาลิกเนี่ยจะเป็นโสมนัสเป็นอุเบกขาก็ตาม ปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะธรรมฌานไม่เกี่ยวกับการทำฐานนั้นปรากฏว่าในทางที่ควรคือวิปปุตตกรรมเข้ามา ผมพูดให้หลักจะเป็นบุญอย่างยอดเยี่ยมเลยอย่างนี้ก่อนว่า ถูกตรงคือเชื่อกรรมเชื่อการเกิดแล้วก็ไม่คิด สมมุติว่าไอ้ในระดับฐานนั้นอาจจะมีปัญญาหรือไม่ก็ตามเลยนะอันนี้ไอ้ระดับ เช่นใครที่เอ่อเข้าใจเรื่อง ดังเมื่อเราเข้าใจตัวนี้เราก็มาจําละศีลก่อนให้ผลนุบอกว่าเอ่อเมื่อเราจะไปใส่บาตรเนี่ยถ้ามาทําศีลก่อนตอนเช้าหรือถ้าทํามาแล้ว ที่บอกว่าแค่เฉพาะพระองค์นี้ขอเว้นจากการ ในระดับอื่นระดับอื่นเช่นอ่าตปุริสฐานที่กล่าวว่ามันมีหลายข้อแต่ เวลาเราให้เราก็ไม่ทิ้งขว้างให้พิจารณา ไม่ใช่ว่าทําเท่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเสียเอ่อเสียบุคคลัญญตาอีกเดี๋ยวจะไปนั่งให้ขอทานดีโหครูพระเจนมากกราบฉันมานั่งขอแก่ๆมานั่งขอฉันก็ก็เวลาเขาขอเราก็เลยไม่รู้ใครขอ <c oughs> นี่ขนาดคนจะคนขอน่ะมันรู้อยู่แล้วมันจะ ก็บูชาอุทิศส่วนสนในแล้วก็ดูถูกอย่างแก่เนี่ยเลี้ยงไม่โตอย่างนี้ไม่เคารพไปเจอพ่อแม่อย่างงี้พ่อแม่เคารพเราเวลาให้เราคืออย่าไป <c oughs> คือคนที่มีความเคารพเนี่ยก็จะมีอาการควบคุมตัวนะมีสํานึกอะไรอย่างอย่างที่อยู่ในในหลักของหรือทางวาจามันจะมีความเคารพมีความให้ความสําคัญ ผู้ค้าเคารพลูกค้าก็ได้นะฮะพระเทศน์เคารพผู้ฟังเทศน์ก็ได้อย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องการให้ เดี๋ยวก็ลบคืออย่างนี้แม้แต่ลุนนักแม้แต่อะไรก็ตามนะครับเราก็จะเนี่ยนั้นอย่างผู้แสดงธรรมต้องเคารพคนจริงๆนะมัน ในทางในทางว่าถึงในทางกลไกของสภาวะธรรมเนี่ยคนฟังธรรมด้วยความเคารพก็จะมีผลกลับมาหาตัวเองไม่ใช่ว่าฟังธรรมด้วยความเคารพ เป็นผู้ได้คนที่ถูกกระทําจะพึงได้เนี่ยเป็นเรื่องเปลือกอย่างเช่นว่าพระรับบาตรเราถ่ายบาตร ทีนี้ว่าในส่วนอื่นต่อไปคือเคารพนี่เข้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับซะหน่อยเมื่อเข้ามึงยาวธุ อันนั้นก็ไปเกี่ยวนั้นแล้วก็อีกที่จะว่าต่อไปนี้คือเววิยาวัจฉะนั้นคือข้อนี้ทีมันก็อาจจะไม่ได้ครบ ติดอนุเคราะห์เพื่อ 8,500 บาทอยู่ในนั้นนะในนั้น เราก็ทําไม่ได้เราก็เลยต้องส่งอันนี้ไปเป็นพยาบาลให้เราจะไปทํา อันนี้เห็นชัดมากจะจะเห็นว่าในกรณีที่จริงๆมีมีทั้งเวทนาวจนะมีทั้งจิตอนุเคราะห์ พระองค์ไหนพระแก่อันนี้เห็นเจ้าหมอก็ยาถูกก็ยามากใส่ไปแล้วท่านจะได้ประโยชน์บางทีใส่ไปแล้ววันหลังมาทวงเนี่ยของถูกทวงมาแล้วเนี่ยมาถึงกับภิกษุโยมไม่ใช่ยานะโดนทวงหลายองค์แล้วมาทวงเลยบอกเอ้าไปบังเอิญ นี่จะไปเข้าไปในบ้านเอายาองค์อื่นนี่จะไม่ได้ใส่ก็เลยบอกเอาไว้วันรุ่งขึ้นก็ หลวงตาคงจะไม่ค่อยสนัดแล้วนะแต่ก็อย่าไปดูถูกฮะบางทีหลวงตาอาจจะบันทึกมาตั้งนะไอ้แล้วก็ก็ประมาณนะบางเนี่ยของที่ให้ แต่ว่าถ้าเราพิจารณาแล้วเอ๊ะอันนี้ควรถวายด้วยปัจจัย นั้นใครที่ทําทานแล้วมีมุ่งประโยชน์การพักขอหยุดแค่นี้ก่อนยัง แค่วะจะให้ตัดอกตัดจะให้ให้เนี่ยมันก็ใหญ่โตอยู่ ปัญญาเอ่อทางวัญญามากพอสมัยเรายิ่งจะได้ประโยชน์ 10 เนี่ย 10 น่ะมันแล 10 และ 10 เนี่ย 20 10 บาทนี่ๆเนี่ยคือมัน ของการให้อย่างลงทุนนิดเดียวแต่ได้มากความได้มากมันได้ที่ใจว่าลงทุนนิดเดียวแต่ได้มากความได้บุญแทบจะไม่ติดเลยมี อย่างอย่างนี้นะเรื่องให้เอาหน้าให้เพราะไม่ถูกหลักไม่มีปัญญาเนี่ยที่ว่าหน้าเสียดายมากครับเราเห็นเสีย บทถ้าฟังแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็จะเถียงว่าไงยังไม่รู้เหมือนกันถ้าใครช่วยรับไปบนๆแล้วก็ปัญญาหรือความอะไรๆในธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญๆไม่ได้ตรงนี้ไอ้อย่างอื่น แม่ไม่ให้ใครบางอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการให้ใครเลยแต่เราใช้ให้มันเป็นแรงกระตุ้นไอ้ดีๆก็จะได้มามากกว่าให้ด้วยซ้ํานะเช่นเรากําหนดอียาบทเดินของเรา เออกับได้กุศลมากอย่างไม่หมดเพราะว่าเราได้ใช้อาการนั้นให้คือ อุทิศสรโกศนคือบุญญาวัตถุที่บาลีเรียกว่าเราทําบุญเนี่ยเราห่วง หลายคนเลยครับถ้าเป็นคนในในในบ้านในเรือนเราจะต้องบอกว่าอุทิศนั้นจะปราลภ เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้อื่นด้วยความว่าเป็นเนี่ยทําคือถ้าเนี่ยถ้า มันน่าเสียดายเพราะพอทราบเป็นการจริงๆมันก่อนไปต้องเตรียมไอ้โถอุทิศบุญบอลอ่ะเค้าเรียก แล้วตรงนี้ต้องหาให้ดีเลยให้ทํายิ่งเราเตรียมดีเท่าไหร่เนี่ยน้ํามันก็ไม่ให้ความน้ําที่<น> อุทิศเตอร์ต่อจริงเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันแมวโอ้โหบุญบุญเต็มแท้งเลยเนี่ยน่าจะเปิดอุทิศให้หมด <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้หาหาไอ้เครื่องอุปกรณ์อุทิศบุญศรเนี่ยครับเนี่ยที่นี่ถ้าหากว่าให้เนี่ยให ว่าทํามือโอ้ยงวดนี้ให้ใครเป็นผมนี่ผมทําทั้งให้คนเป็นให้คนตายแล้วก็ๆกันเอออย่างนี้ยังไงก็แล้วอย่างรู้เอา บุญพรได้ก็ดังนี้ยกบุญนะครับเราก็อย่างน้อยเราก็รู้สึก วันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันตายของท่านอะไรก็แล้วแต่เอาคือบังเอิญวัน 31 ศพรถ ลุงคืนนี้วานนาได้เรื่องแล้วเราได้ทําบุญ <c oughs> กรรมการเครื่องวัดเครื่องแล้วก็เสื้ออยู่ในเขาคือเราสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราออกแทนเขาได้เพิ่มๆกันแต่ว่าก็ไม่ ก็เสียโคนอย่างนั้นหรือไม่งั้นก็ไม่เอาบอกไม่ <c oughs> อันนี้ก็ผ่านไปอีกข้ออีกข้อการอนุโมทนาเออเราทําเองแล้วเป็นอนุโมทนายังไงคําๆเช่นคนก็แจก <c oughs> เราคิดดูใครเป็นประธานใครทําถ้าเป็นคนรู้จักทําไม <c oughs> อยู่ซอยตรงที่ผมอยู่ที่ปากน้ําก็ขายส้มตําไก่ย่างซึ่งก็ขายดีอยู่พอสมควรนะทํา ฟังแช่อยู่นั่นแหละครับคืออันนี้ก็ถือ แต่ว่าไม่รู้บุญด้วยอันนั้นก็อย่างนึง ทีนี้ถ้าในกรณีที่เราทําบุญทั่วๆนะเราไม่ได้อยู่ กับคนใดคนหนึ่งเนี่ยอนุโมทนาเกิดได้เพราะยกตัวอย่างอย่างอย่างทํา เป็นการส่งเสริมเพิ่มบารมีให้ผู้คนที่เข้ามาเข้าไปเนี่ยได้มาสะดวกอะไรต่างๆ ลงไปด้วยไปด้วยใช่มั้ยซึ่งไอ้ความรู้สึกอย่างนี้น่ะบางทีจะไม่เกิด อันนี้ก็ก็แล้วแต่เราจะพิจารณาช่อง <c oughs> <c oughs> ในกรณีของการฟังธรรมอ่าเรื่องนี้นะครับถ้า หรือจะจำทราบรู้อยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วก็มาๆเป็นบุญกิริยาวตู่ข้อนี้ที่ ถ้าหากว่าพระท่านมีภูมิธรรมสามารถจะแสดงได้ อันนี้เราจะรู้สึกว่าเกิด 2 มนัสเกิดกุศลเยอะเกิดๆเยอะดีกว่าการถวายอย่างมืดๆอย่างไม่รู้อะไรที ให้ทะยังให้ลูกเนี่ยโอ้เป็นโอกาสแล้วเค้าอยากรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่นาย พูดทุกทางแต่คือมันอาจจะมีแง่มีมุมมีจังหวะต่างต้องพิจารณาแต่ว่าสมมุติว่ากรณีเรา หรือบางทีสักอาจจะพูดถึงไอ้แง่มุมอื่นก็แล้วแต่จะพูดลูกก็จะได้คอคิดจะ ต่อแม่นะเพราะว่าไอ้ตอนที่ 50 ตังค์สมัยก่อนนะบางวันก็ดีเพราะฉะนั้นเรา มากขึ้นเวลาเค้าพูดนี้ลูกเค้าก็จะภูมิใจเค้าจะเกิดความเนี่ยยอมรับครับยอมรับว่าเค้ามีความดีแล้วมันก็เป็นความ ไอ้ที่หมอวานเนี่ยผมได้ใช้มาแล้วนะได้ใช้มาก็ ลูกโลกตอไว้ทั้งหมดเลยไม่เอาเอาเอาใช้ชาติหรือถ้าเลี้ยงหลานก็ใช้กับหลานนะเอออย่างงี้ก็ได้หรือ นั่นแม้แต่การชักชวนให้ <c oughs> <c oughs> ของส่วนอื่นส่วนอื่นๆอย่างไรทีนี้มาพูดถึงว่าปัญญาในโอ้มันมีอยู่ข้อที่ไม่ ได้วิธีเอาภูมิมายาคันธนามาใช้เนี่ยใช้อย่างหนึ่งคือกรรมนติภาวนาประกอบลงไปปนลงไป <c oughs> จะต้องพิจารณาเอาหลักอนิจจังมาคิดนี่คือในระดับความคิดว่าวัตถุนั้นไม่เที่ยงผู้รับก็ไม่เที่ยงแล้ว ไอ้รูปคนลับก็ไม่เที่ยงก็ไม่ทีนใจปรุงก็ก็ฟังเลยเดี๋ยวคนจะตื่นต๋องใจอีกนะไอ้เคาะของนั้นก็ การพิจารณาว่าความเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันก็เป็น มันไม่ได้มีการกลืนกินกลืนกินเช่นเราสุกในธรรมมันไม่มือเราก็ไม่ได้ ของใช้แม้แต่ของที่กลิ่นเข้าไปในปากเนี่ยที่ว่าอร่อยเนี่ยเวทนามันก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของและความไม่ได้สัมพันธ์กันแบบไม่ได้มีการกลืนกินเข้าๆเป็นอย่างงี้ พอไปใส่บาทปั๊บรู้เลยมันรู้สึกเลยว่าอ๋อไม่ได้มีอย่างงี้มันเป็นเรื่องของเครื่องๆมันไม่มีอะไรนี่คือ ที่บางทีเราจะลืมนึกในทาง ที่เป็นชาวพม่าเป็นหมอฮะแล้วเป็นนักปฏิบัติ กำหนดเวทนานุปัสสนาไปด้วยคือขณะถวายเนี่ยให้เอาจิตกําหนดว่าไม่ได้อธิบายอะไรเป็นอย่างอื่นและ ท่านไม่ดูครับรับสันติหน้ายังไงโอ้นี่บุญเยอะครับบุญเยอะครับอย่างนี้บุญเยอะไม่ ทานทั้งหลายบุญทั้งหลายทานนี่เป็นและการให้ทานนั้นได้ประโยชน์มาก มีพลังมากขึ้นเท่านั้นเมื่อให้ทานนั้นคนที่มีวิชาวิปัสสนาใส่วิปัสสนาเข้าไป จะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติและควรทําอย่างนี้เพราะท่านเวลาท่านทําธรรมหรือแม้แต่แสดงธรรมเนี่ยท่านอวิปัสสนาเข้ามาปนหมายถึงกําหนดจิต นะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าขณะแสดงธรรมท่านได้มั้ยครับได้ ต้องทําอย่างนี้เพื่อเออมากําหนดคือมานั่งทําท่าฟัง มันท่านต้องเจริญอนาตลอดมันก็ผิดเวลาผิดโอกาสผิดความประสงค์นะอันเป็นว่าไอ้ตามตัวเสริมเป็นบริวารของกุศลต่ําหรือมามาในฐานะเป็นเครื่องอนุเคราะห์ เช่นว่าฟังแล้วเอ๊ะทําไมมันเข้าเกิดเข้าใจไม่ๆไปก็อาจจะเป็นไปเป็นเรื่องที่สมควรถูกต้องไม่ผิดหรือ นั่นก็ระแวงว่าคนพูดจะนึกอย่างงูอย่างนี้ก็ ปัญญาในตัวฐานระ Leben ที่เป็นเงื่อนไขของฐานเองเพราะผู้ให้ฐานร unpleasant เป็นปัญญาระ naturale Кายย rooft然stringsลายถึงให้raisังปัญญาไม่احаков fazeadekty hadaspnal hanrow bahspoil more Xingowy minute allemaal Events ภัย court oncheigt swing MINT Friends Suzuki begituertainitsch buns วั enfant ยล arrow 세ieben ที่ ladies the one out of settled self listening to Kégory ที่ 또�'Meat's forever listen to others the realm ที่เป็นปัญญาเลือรıtฐ qué Julia and Monkjoffs live its very well Thanks again Never Even is ทำให้ดีขึ้นนี่คือหลักของความว่าอะไรเป็นเรื่องของฐานแล้วก็ แล้วก็หลังจากให้นี่ก็เป็นเจตนาในระดับฐาน ก็มีคนก็ชอบถามเสมอกันว่าทําสังฆทานธรรมเนียมเป็นเรื่องประเพณีจนกระทั่งเลยชัก <c oughs> อย่างเนี้ยคือถ้ามันเกิดไม่มีมันๆเนี่ยถ้าคนเข้าใจมีปัญญาเรื่องการกุศลเนี่ยก็นะงั้นสังฆทานอ่า สังฆเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งคือทําให้แก่สงฆ์ทําแก่บุคคลใดคนหนึ่งก็ เราถือหลักว่าวัตถุที่ให้เนี่ยประนีดเท่าไหร่บริบูรณ์เท่าไหร่มันก็เป็นเครื่องเพิ่มราคานะเพิ่มราคาเพิ่มเนี่ยเอ่อ 2 แบบ แบบ 1 มารับด้วยความรู้สึกเป็นส่วนตัวอย่างเราถวายพระหน้าบ้านนี้นะอย่างส่วนตัว 1 คือมารับด้วยความรู้สึกหรือมาในฐานะเป็นทูตกงสุลอย่างนี้ก็เรียกลักษณะเต็มที่ทั้งฝ่ายผู้รับมาอย่างอย่างเราไปถวายของที่ให้แก่ส่วนรวมเนี้ยที่เรา อย่างระเบิดทอดป่าเงี้ยถึงจะมีพระมารับองค์ 2 องค์ถ้าขณะนั้นมีพระอยู่แค่องค์ อย่างเนี้ยเรียกว่าผู้รับเองก็รับด้วยความรู้เป็นผู้แดนสงฆ์เป็นรับเพื่อส่วนรวมผู้ให้ก็ให้ด้วยเจตนาเป็นส่วนรวม อย่างที่ผมเคยบอกผมเจอบังเอิญเจออยู่ในตํารวจน่ะร้อยเอกมากำลยาขับรถถามบอกท่านพระครูอยู่มั้ยบอกทําไมผมจะมาทําสังฆทานปรีมาหาพระครูเลยฮะเออพอรู้จักท่านพระครูเองก็รับนะนี่ก็เป็นเรื่องของของครั้งบ่ายกู บริหารได้ดูแลได้เฉพาะในส่วนของเราก็ก็จะเป็นนัก ประกอบความประพฤติในทานกุศลนั้นได้อย่างเข้าใจอย่างฉับพลันและแบบอันดีเลยใช่มั้ยอย่าง เหตุผลตามมันอยู่ในใจแล้วทําปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยว่าให้ของนี้แล้วเป็นยังไงแทบจะไม่ต้องมาตั้งๆฝึกค่อยๆได้เพิ่มติรยงติรยัง เป็นเรื่องโอกาสไหนฉับพลันได้ครบได้น้อยแค่ไหนโอกาสไหนมันก็จะเป็นไปเองอย่างง่ายๆไม่ยากไม่ลําบากนี่ผม ที่บุคคลเห็นตรงแล้วปัญญาตัวนี้อาจจะไม่ได้ เป็นเครื่องไปกระตุ้นในเครื่องไปเสริมบุญยาของแล้วเกิดเชื่อว่าตายแล้วเกิดแล้วก็แค่เชื่อยังไม่ทําอะไรอันนี้อย่างนะฮะไอ้บุญเป <c oughs> ให้อื่นเช่นเราเชื่อว่ากรรมมีทํายังไงได้ยัง เกือน้อยไม่ได้นะทําไม่ขึ้นนะเพราะว่าคนที่จะเดินวิปัสสนา 2 เรื่อง น1 สิ่งที่เป็นเบื้องต้นหนึ่งเรารู้แต่อะไรเป็นความหมายหลักสูงสุดเนี่ยไอ้ ตัวทําเพื่อถอนตนออกจากวัตตทุกข์ถ้าไม่เชื่อ แล้วก็เมื่อทําไปเนี่ยก็จะมาทําให้ความเชื่อในขั้นของความคิดอย่างนี้มันก็ไม่มีหรือคิดไม่ถึงระดับความแล ญาณที่ 1 เนี่ยก็ก็มีไม่ได้คือน้ํารูปบริเจตะอย่างถ้าคนที่ที่เห็นผิด อ่างวยวัฒนาเนี่ยนะยังปฏิสนธิก็ยังว่าแล้วมีอย่างนึงคือ ที่ชวนภิกษุให้เห็นได้ตะกอดลอยดูพฤติกรรมดูผลได้ๆน่ะเชื่อไม่เชื่อแม้จะไม่ต้องถามว่าเชื่อ ปูถึงวิปัสสนาตั้งๆเนี่ยไปโกรธท่านอันนี้ก็ฝากเงินอ่าก็เป็นว่าข้อยืนก็ทั้ง ใช่มั้ยถ้ามีทิฏฐุจริตแล้วก็ก็เป็นอีกอย่างเป็นประโยชน์นะเลยยังไม่ได้ เอ่อสําหรับหนังสือคู่มือ